ผู้ตัดสูุเองโดยชอบพระองค์นั้นในช่วงตเวลานี้เป็นเวลาของการเจริญจิตตะภาวนา เจเลนจิตตภาวนานี้สองส่วนหนึ่งคือเรื่องของรูปกายภายนอกสองคือเรื่องของจิตใจภายในในส่วนของรูปกายภายนอกสืบเนื่องจากภาคเช้าเนาะภาคเช้าเราได้สมาทานศีล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 ประมวลในส่วนที่เป็นความสำคัญสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติสำหรับคลรวะญาติโยมท่านให้หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ประมวลลงเป็นหลักของบุญกิริยาวัตถุทั้งสามประการหนึ่งบุญสำเร็จในเรื่องของการให้ทาน การบริจาคข้าวน้ำโภชนาหารจตรุ ป, ปัจจัะิยทยานทั้งหลายเป็นการเสียสละออกเหล่านี้คือบุญกิริยาข้อต้น 2. บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลข้อปฏิบัติเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติ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 ความเพียรชอบสำ ม, มาสังกโปดำริชอบสัมมาวัจาการเจรจาชอบสำ ม, มากรรมโตการงานชอบสั ม, มาอาชีวโวเลี้ยงชีพชอบสำ ม, มาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสมมาสมาธิ ตั้งมันชอบนี่คือส่วนที่เป็นความสําคัญของภาคการปฏิบัติตามอย่างที่พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และในส่วนที่เป็นความสําคัญที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงมรคระปฏิปทาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่พระองค์ปฏิบัติ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 สละแม้บุตรที่พึ่งเจิกประสูตรในวันนั้นหรือพระราชายาคู่ทุกขุยากสเสด็จออกบวชโดยความที่ปรารถนาการที่จะกระทาที่สุดแห่งทุกข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 เพื่อให้จดจำง่ายสำ ม, มาทิฏฐิความเห็นชอบสำ ม, มาสังกัปโปย่นยอ่อลงในส่วนของปัญญาคือความรู้ความฉลาดสำ ม, มาวาจาสำ ม, มากรรมโตสำ ม, มาอาชิโวย่นยอ่อลงในส่วนของศีลข้อปฏิบัติเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติ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 เวลาที่ไปทำบาปทรมากุศลต่างๆเกิดขึ้นโดยอำนาจของมือทั้งสองข้างเกิดขึ้นจากเท้าทั้งสองข้างเป็นผู้พาไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยู่บนศรีรษะของเราท่านทั้งหลายคือเรื่องของปากและก็วาจานี้เองสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยเวรบาปอากุศลต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของปากเรื่องของวาจาของเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลหากจะกล่าวให้ชัดเจนเช่นนี้ศีลทั้งห้าข้อเป็นเครื่องควบคุมในส่วนสำคัญในชีวิตของคนเราทุกคนคือกายของวา่ากายและวก็วาจานี้ให้เป็นปกติอย่าให้กายวาจา์ของเหล่านี้ไปสร้างสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยเวรต่างๆให้เกิดขึ้น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 ใจวาจาของเหล่านี้อยู่ในอาการที่เป็นปกติอาจกล่าวว่าเวลาที่เรามาเจริญจิตตภาวนานี้ศีลของเรามีความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปลักทรัพย์เราไม่ได้ไปประพฤติผิดในทางการมเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติเราปิดวาจา เราไม่พูดจาปาสาัยสื่อสารอะไรอีกต่อไปสิ่งที่เป็นคำหยาบคำเพ้อเชอเหลวไหลต่างๆก็ไม่ได้หลุดล่วงออกจากปากของเราท่านทั้งหลายเวลาที่มาเจริญสติเช่นนี้มานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเช่นนี้เราไม่ได้ไปดื่มกินสุลาเมลยัย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 ก็คือจะรู้อยู่ในส่วนมากที่เป็นเรื่องของกายในส่วนที่เป็นสติปทานฐานที่ตั้งของสติความระลึกรู้ตัวกายสติปทานให้มากำหนดระลึกรู้อยู่กับส่วนที่เป็นเรื่องของรูปกายภายนอกในตัวของเราท่านทั้งหลายนี้เมทนานุปัศนาสติปทาน ให้เรามากำหนดรู้ในส่วนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกสเสวยเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมากำหนดระลึกรู้อยู่ในอาการของจิตใจภายในอย่างเช่นว่าจิตมีลักษณะที่เป็นความผ่องใสกระตามความขุ่นมัวเศร้าหมองก็ะตามธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน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 นี้เป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งการกำหนดสติอย่างเช่นท่านให้กำหนดภารกิจหน้าที่การงานในการประพฤติปฏิบัติเช่นให้เรามาตั้งสติระลึกถึงคำภาวนาว่าพุทโธพุทโธดังนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นภาระหน้าที่การงานในการเจริญสติ ทำความระลึกรู้ชัดเจนอยู่กับคำภาวนาวพุโทโธพุธโทโธตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ลืมเลือนในส่วนที่เป็นคำภาวนาวพุโทโธแสดงว่ายังมีสติเวลาที่คำภาวนาเริ่มจะเลือนหายไปสติอ่อนกำลังลงแต่ขอให้เข้าใจวันเป็นธรรมชาติธรรมดา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 เป็นกรรมฐานที่ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องรู้อะไรเยอะมากำหนดเพียงคำบริกรรมภาวนาวพุทโธพุทโธอย่างนี้ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติหรือท่านใดจะมีความถนัดจัดเจนในอุบายวิธีในองค์ธรรมกรรมฐานอื่นๆ อ, อย่างเช่นมาละลึกถึงลมหายใจเข้าออกของตนเอง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 อ, อื่นๆที่ก่อเกินจิตใจของตนเองออกไปตามลาดับนี้เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติทางหนึ่งจิตใจจะค่อยๆสงบตัวลงมีความที่ซึ่งเราจะสังเกตได้คุณลัสงณ์ของจิตใจเวลาที่มีความสงบจิตใจที่สงบจากการประพฤติปฏิบัติผลอ น, อนัสงณ์ประการหนึ่ง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 จิตใจมีความสงบยาวนานนี่คือระดับของความสงบแต่ม่ทุกระดับของความสงบล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณมีอานิสงส์ต่อจิตใจของผู้ปรฏิบัติก็ให้เกิดความรู้สึกที่ดีก็อให้เกิดความเยอกเย็นก็อให้เกิดความมั่นคงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติ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 พระพุทธองค์จะทรงแสดงให้เราท่านทั้งหลายโยนิโสมนั ส, สิการคือกระทําความแยบคายไว้ภายในจิตใจของตนเองพินิษพิจารณาในสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จะเป็นข้อมูลในการพินิษพิจารณาล้นวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในกระบวนการของกายและก็วาจาแห่งเราท่านทั้งหลายนี่เอง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 ในการที่เราจะนำมาเป็นข้อพิจรารณาในการเจริญปัญญาบอกสอนจิตใจของตนเองให้เห็นในสิ่งที่เป็นสภาวธรรมทั้งหลายอย่างนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นกับจิตใจของตนเองแล้วขอให้เรายอมรับความเป็นจริงว่าในสิ่งที่เป็นสัจจะทำความเป็นจริงอย่างนี้ในส่วนของสภาวทุกทั้งหลาย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 ในการเจริญปัญญาเวลาที่จิตใจมีพื้นฐานของความสงบจากสมาธิตามสมควรแล้วเรานำพื้นฐานจิตใจเช่นนี้มาเจริญปัญญาพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเช่นนี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจรารณาหรือในอื่นๆในบทอื่นๆของการเจริญปัญญา อย่างเช่นสอนให้เราท่านทั้งหลายมาพิ จ, จรารณารูปร่างกายของตนเองว่าเป็นสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงแท้ถาวรร่างกายของเราท่านทั้งหลายประกอบล้อมรวมขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟและก็ลมประกอบหล้อมรวมเป็นรูปประคันร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้แล้วในท้ายที่สุด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 มันจะมีอะไรเหลือพอที่เราจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปนี่ก็เป็นบทการเจริญในส่วนที่เป็นเรื่องของปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งหลายให้ปรากฏเกิดขึ้นหรืออีกบทหนึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถที่จะนำมาเป็นบทพิจารณาสอนใจของตนเองอยู่เนืองเนือง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 ปัญญาอุปมาสเสมือนหนึ่งแสงสว่างบุคคลอยู่ในสถานที่มีแสงสว่างสามารถที่จะมองเห็นสรร พ, พสิ่งทั้งหลายได้ตามความเป็นจริงชั้นใดเวลาที่ปัญญาความรู้ความฉลาดปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจากการพิพจิตรณานในสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้ว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 แล้วก็เห็นด้วยนะธรมาเห็นด้วยขออนุมโมทนาแล้วขอให้พวกเราทุกคนนำไปใช้เลยนะเป็นบทในการที่จะฝึกหัดตนเองเพราะตอนนี้มันจะเป็นแม่บทนะในการประพฤติปฏิบัติต่อจิตใจที่มีความสาคัญอย่างยิ่งพยายามลองฝึกในเรื่องของจการเจริญสติอยู่เนืองๆ บ, บางท่านนะครูบาอาจารย์ท่านจะให้แนวปฏิบัติบอกว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาเนาะ ทำอะไรๆด้วยความระ ล, ล, ลึกรู้ตัวอยู่ตลอดพยายามเนาะแต่มันไม่ใช่ง่ายยมเดี๋ยวเวลาที่มันเผลอไปอ่ะมันก็ไปไปแล้วก็ดินกลับอย่างเงี้ยก็คือต่อสู้กันหรือเหมือนอย่างที่ ท, ที่ฟังบางทีอย่างหลวงปู่ดูลทั่นก็พูดนะไอ้หลวงปู่หลวงปู่ดุล น, นะท่านก็บอกเวลาไปถ้ามันหมดแรงมันก็ต้องกลับมาเนะ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 สูเคาหาสถานบ้านเรือนของตนเองมันสบายเนาะเออมันไม่มีภยัยมีอันตรายเนาะจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายไอ้ผู้รู้จะอยู่ข้างในเนี่ยเนาะสังเกตเวลาที่เราส่งออกไปเที่ยวเล่ร่อนนะี่ยจิตส่งออกท่านบอกว่าเป็นลักษณะของสมุ ท, ทยัยคือมันไปหาเรื่องเข้ามาเนาะ ไปต่อเติมสิ่งที่เป็นต้นตอบอกเกิดของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเข้ามาสู่จิตใจของตนเองอันนี้คือลักษณะจิต ท, ที่ส่งออกอันนี้เวลาที่มันส่งออกเพราะความที่มันขาดสติหรือสติมันอ่อนทังนั้นที่จะมาบอกว่าอย่างน้อยสติมันจะเป็นเครื่องกัน้นเป็นเหมือนโล่เนาะเป็นเครื่องกัน้นหนึ่งคือไม่ให้ข้างนอกเข้ามา สองก็ไม่ให้จิตใจข้างในส่งออกไปรับไอ้ตัวนี้คือคุณนะนี่ส่งอันนี้คุณประโยชน์คือให้พยายามที่เราทำอยู่เสมอๆและยวมจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะแตอนี้นะเวลาที่กำลังของสติดีขึ้นดีขึ้นมันจะเหมือนมีเครื่องที่เป็นสัญญาณเตือนไอ้ตัวที่ตัดไฟอัตโนมัติเนะี่ยนะเฮียม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 จะเปยอมจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองจะชัดเจนในเรื่องของสติความระลึกรู้ตัวแล้วยัมจะเรื่อมนือมันปลอดภัยนะมันเหมือนมันมีเครื่องป้องกันเลยนะมันจะไม่ค่อยโดดเดี่ยวแล้วแต่นี้นะมันจะมีอะไรที่เป็นเครื่องป้องกันจิตเราจะมีภูมิต้านทานเนยะอย่างงั้นเราหมันไปเจอนู่นเจอนี่นะ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 คือเดี๋ยวนี้ในกระแสที่เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแม้ในหลักธรรมคาสอนต่างๆย่อมว่าจะสับสนเนาะเวลาที่เราไปฟังหรือไปติดตามข่าวสารต่างๆนั้นนี้มันมีเยอะมียุ่งเนาะแต่หลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องแต่ตอมาว่าถ้ามีข้อยุติซึ่งเราปฏิบัติได้ข้อยุติได้ด้วยตัวเองย่อมจะไม่ค่อยไปกังวล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 แล้วจะให้เราไปต่อรอดต่อเถียงกับใครเราก็คงไม่เอา <c oughs> มันไม่มีประโยชน์เนะาะอเดี๋ยวนี้ก็สังเกตว่าถ้าเราไปเสพไปฟังมากๆืก่อทีมันวุ่นวายเนะาะก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะมันจะกลายเป็นยุ่งเหยิงเปล่าๆแต่ว่าวิธีอย่างหนึ่งก็บอกว่าที่ดีที่สุดหาข้อยุติจากการประพฤติปฏิบัติของตนของตนให้ได้ที่นี่ก็จะดีอย่างแต่มาว่าเออก็มาเห็นนะเนาะหรือว่าที่ได้ยิน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 นะอที่นีก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มงคลเนาะอสังเกตเราสังเก ต, เกตไหมเวลาเข้ามามันจะรู้สึกมันสงบมันเริ่มเย็นเนะอแต่หนึ่งเย็นเพราะเปิดแอร์นะก็เย็นแต่ธรรมาดามันเย็นนี่ยงอยังยลองสังเกตนะถ้าไปตรงไหนมันเย็นมันสบายสแสดงว่ามันเป็นที่ดีที่มงคลนะเนาะเอเวลาเรามาก็รู้สึกกดีอย่างเงี้ย แล้วมันจะทำให้การประพฤติปฏิบัติของเราจเจริญขึ้นนะอจางขออนุโมทนานะอัาะตอนนี้ให้ตั้งใจรับพอ